คือว่าประวัติหลวงปู่ล่างเขมปัตโตม่วนที่ 6 แล้ว 8 อย่างเป็นข้อเว้น 4 แล้ว 4 ประเภทในฝ่ายปัจจัย อยู่โคนไม้ 1 นุ่งห่มผ้าบางสุกุล 1 และก็เกษตร พวกเราถูกตามอนุสาสน์แล้วหรือหรือหากว่าบกพร่องอยู่บ้าง 30 ปี ตลอดพระภิกษุหนุ่มสามเณรน้อยใช้มารยาทเคารพรักหลวงปู่มั่นประชุมถึงจิตถึงใจจึงได้โตๆมีกิ่งๆดีไม่ค่อย ประชุมเนี่ยไม่ใช่ประชุมร้อนแล้วองค์หลวงปู่มั่นก็ส่วน กว่าในพระบาลีน้อยกว่าภิกษุทั้งหลายนางๆแล้ว ก็พำอยู่ให้รู้จักรสชาติของธรรมในชั้น ต้องพิจารณาใช้สติปัญญาลงสู่ธาตุขันธ์ในส่วนรูปขันธ์นามขันธ์ให้เสมอภาพเหมือนหน้ากองทั้งอดีตทั้งอนาคตปัจจุบันใดๆทั้งสิ้นๆติดต่ออยู่สติซึ่งหน้า ก็พิจารณาติดต่ออยู่ไม่ขาดวรรคไม่ขาดตอนอยู่อย่างนั้น ก็ต้องปลงปัญญาลงสู่ไตรลักษณ์ทั้งนั้นเพราะไตรลักษณ์เป็นวิสุทธินิพพานพระโสดาบันเปิดประตู พระนิพพานไม่มีประตูรูปประตูนามศูนย์ขอบศูนย์กลางไปๆมาๆอยู่ๆอะไรเป็นๆเพราะคำพูดก็เป็นวจีๆมีรสๆในโลกของ เคยตามธรรมชาติของความจริงก็เคยมอยู่อย่างนั้นแลฉันใดก็ดี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 จะไม่เคารพธรรมยิ่งเคารพมากกว่าปุถุชนคนหนาไม่มี หาหัวโดยน้อมถวายถึงกนันก็ยังจะได้เป็นพระ สอดสางให้ลูกๆหลานๆยังมีอยู่มายนักการเลี้ยขอขอในทางตรงและทางอ้อมและ มิชาปลุกเสกทั้งหูทั้งตาพระพุทธรูปหรือทํา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 เรื่องสําคัญละเอียดละออก็ยังมีขึ้นไปกว่านี้อีกมากว่าขัดขวางหลายได้อย่างวัตถุตัว คือเราจะทำดีตอนไหนไหนก็เป็นคนขี้ขาดแต่เมื่อมี ใจก็ได้รับผลดีตามส่วนควรค่าของเหตุที่ทำดีถ้าใจ ก็ได้ความชัดขึ้นว่าเหตุใจผลใจส่วนไปทางชั่วแล้วแต่ะเหตุส่วนน้อยมากก็แล้วแต่เหตุจะดําเหตุชั่วงข้อต้องดับที่ใจจะสร้างเหตุดีก็ต้องสร้างธใจอันนั้นตะเหตุเข้าใจเป็นผู้สร้างขึ้นอันนั้นตะผลเข้าใจเป็นผู้ได้รับจะปฏิเสธเหตุผลไปทางใดก็ไปไม่หลอดได้คําพีโล เพราะใจองค์ปัญญาอีกผู้ทำแต่ก็ต้องพร้อมด้วยองค์สติองค์ปัญญาฉะนั้นแล้วจักเป็นสิ ตอนไหนไหนก็นำสุขมาให้ใจตอนนั้นเหมือนมีดที่ลับคมแล้วนำๆแต่มีดมันก็ไม่ได้ยืนยันว่ามันเป็นมีดดอกและ ก็เป็นสมมติชายกันในสังสารวัฏว่าใจเป็นต้นสมมติสมมติมรรคผลนิพพานเป็นมหาสมมติที่สูงแต่รสชาติของสมมติมรรคผลนิพพานไกลกันกับรสชาติสมมติว่ากิเลส 2 ตา ตาปัญญาทางโลกุตตระเป็นตาปัญญาอันเดินลัดออกกองทุกข์ตาหลงเรียกวงเวียนใหญ่ในไตรโลกธาตุ 3 หรือจะ ปรากฏป่าหลงให้สัตว์ผู้ชอบต้องเที่ยวศาสนาจารย์ก็ได้จะว่านรกขุม ท่านหาว่าอยู่นิ่งๆได้อรหันต์สัตว์จําพวกที่ปากไม่เป็นพูดไม่เป็นก็ได้อรหันต์ทั้งนั้นขึ้นผู้ปฏิบัติเพื่อพ้นในสงสารจะติดว่าก็ไม่ถูกจะไม่ว่าก็ไม่อีกคนบ้าบอหนวก หุงต้มฉันในวัดเป็นนิดก็ดีหลวงปู่ๆจนใช้คําว่าอดมากหิวมากองค์ท่าน ฝ่ายเสนาสนะก็เรือนรางว่างเปล่าลุกขมูลลอมฟังเงื่อมหินหรือถ้ำกุหาหรือกุฏิตาศาตกระท่อมใบไม้เหล่านี้นับ แต่ก่อนรักสันโดษมากนักยอมเป็นยอมตายต่อพระธรรมวินัยมากเป็นเครื่องขัดเกากิเลสในตัว ทั้งภายนอกอดีตอนาคตปัจจุบันก็หมดปัญหาอันจะสงสัยอยู่แล้วเมื่อ อันดองสันดานของตนให้ติดให้วนอยู่ในหู่ของวัตถุนิยม แล้วก็ความหาเหมือนตกน้ําจนตรบจนหมุ่มในใจว่ายังไงหนอยังไงหนออยู่อย่างนี้เสมอๆท่านผู้ติดอยู่ในกองงามรูป ดิ่งลงไปมีกําลังกล้าถอนได้ยากเพราะฝังลึกแล้วหลวงปู่มั่นอาพาธ อยู่เอ๋ยจะไปพักวัดลางบ้านนาในสักระหว่างประมาณ 1 อยกิโลแล้วก็บอกหลวงปู่มหาให้ดูโอ้ขออภัยนั้นหมายความ เรียกชายในสมัยนั้นแล้วพระอาจารย์มาหาพิจารณาว่าควรให้องค์หนึ่งไป ปรากฏแก่ตาแก่ใจว่าต้นไม้ต่างๆในวัดและบรรยากาศเงียบเหงาลมก็ไม่พัดมาคล้ายกับว่าว่าเห่ไปตามกันหมดผู้เขียนนี้เดินลุบไปลุบมาในวัดและดูที่ทั้ง 4 รอบรอบจิตใจคิดคอยละห้อยหวนชวนให้นึกแต่เรื่องภายนอกคิดถึงหลวงปู่อยู่ไม่ขาดภาวนาหวนคิดไปต่างๆนานาว่าหลวงปู่ทรมานชาวบ้านชาววัดหรือ บุคคลใดหนอเราไม่รู้ได้ทั้งนั้นล่ะเป็นเหตุชวนให้ องค์เออผมก็ว่าแห่เหมือนกันท่านลองไปดูซิเออคุณล้ามาไป ยังไม่อยู่มือขวาจับเอาฟืนมาใส่ไฟมือซ้ายเอา ก็พลิกจิตขึ้นได้องค์หลวงปู่กับครูบาตรทองคําหัวเราะ ไฟตะเกียงจุดริบหลี่ริบหลี่อยู่ขึ้นไปกราบองค์ท่านเล่าถวายทุกประการองค์ท่านคำนึงพิจารณาแบบบรรจงองค์ท่านเก่าว่าเออพรุ่งนี้เจ้าฉลองเจ้าเสร็จผมจะพาหมู่เราทั้งหมดและชาวบ้านหนองผือทั้งหมดไปอาราธนากราบเท้านิมนต์วิงวอนให้องค์หลวงปู่คืนมาวัดเราตามเดิมเพราะชาววัดชาวบ้านก็หวาแหว ก็สลดใจและว้าเหวมากกล่าวนี้องค์ท่านจะไปวิเวกๆนี่เองล้าเอ๋ยล้าคันตื่น ทั้งชาวบ้านชาววัดประมาณ 100 คนพอไปถึงก็เงียบสงัดไม่มีใครก๊อกแก๊กและ 2-3 วันนี้เท่ากับว่านานถึง ขอได้โปรดประทานอภัยให้เกล้าและทุกท้วนหน้าเกิน ที่นั่งขององค์ท่านขององค์ท่านปูอาสนะด้วยเบาะยัดใบกาแห้งองค์ท่านนั่ง แต่องค์ท่านก็เลยปลงธรรมสังเวชในจริยาตํข้าพเจ้าทั้งโอ้อนิจจาเอ๋ยน้ําตาของข้านี้ออกมาไหลที่ ถ้ามาแล้วน้ําตาเธอออกง่ายนิสัยแปลกกว่า มีพระอาจารย์มหาและหลวงตาทองอยู่เท่านั้นไม่ได้ขอนิสัยเพราะองค์ท่าน เวลาวันเดือนปีชีวีของสังขารก็เคลื่อนค้อยลงทุกวินาทีไม่ว่าคนหนุ่ม ไปบิณฑบาตใกล้ศาลาจันแต่ไปฉันกับหมู่ที่ลงฉันอยู่หมาย หลวงปู่บินทบาทที่ริมบันไดกุฏิองค์ท่านชั้น หลวงปู่มิได้ทําเพื่อถือรังถือขังอันใดให้ส่งเสริมมานะทิฐิๆให้แก่ลูกๆหลานๆผู้สุดท้ายยอม ท่านผู้ชอบอย่างนี้จะว่าก็ว่าซะถูกไปคน แต่ว่าข้ามพ้นจากความผิดว่าข้ามพ้นจากความผิดทุโดงควัทจะเป็น 13 ข้อนั้นต้องได้คน ผู้ฉันหนเดียวก็ได้เอกาสนิคังข์ยากนักยากหนาผู้จะไม่มีทุดงเลยทีเดียวไม่ข้อหนึ่งก็ได้ข้อหนึ่งกัน บ่มีสิ่ง 25 ปีจึงมีภาชนะ 2 บ้านแต่กำลังจะแก้กลับคืนอยู่เพราะ อายุไขล่วงไป 70 ปีส่วนอายุพรรษา จำมัวแต่แอบกินกับอายุพันษาไปเป็นบอนก่อนบ่อแต่ มิให้เป็นติดไผ่เดือดร้อนก็แล้วไปเท่านั้นเพราะทุกสิ่งทุกอย่างคิดแล้วนึกแล้วก็ล่วงไปเท่านั้นเพราะจิตตสังขารจัดเข้าในนามมาโลกนามมาสังขารนามมาธรรมนามมาธาตุนามะอินทรีย์นามังอนิจจังนามังทุกขังนามังอนัตตากันดีดีนี่เองอย่างปฏิเสธไม่ได้รู้เขียนรู้ลบรู้ได้รู้เสียรู้เกิดรู้ตายรู้ไม่เกิดรู้ไม่ตาย รู้แต่ระวังอย่าได้เดือดร้อนมากก็ไม่เป็นไรแต่ระวังอย่าได้เดือดร้อนแต่ๆการระวังเป็นการไม่ลืมตัวของ ก็ต้องรักษาตามพระวินัยแต่ก็ไม่ต้องหนักใจในพระบัญญัติ ที่ทำดีและชั่วย่อมสังขยนาปวงสัตว์โลกอยู่ไม่มีกลางวันกลางคืนเลยอยู่ทุก ก็ย่นลงในเอกคัมโมในปัจจุบันธรรมอันไม่ตายไม่เกิดไม่ดับไม่แปรปวนแล้วถ้าสงสัยตอนไหนไหนแล้วความสงสัยตอนนั้น แต่ก็ขึ้นอยู่กับนิสัยของท่านผู้แต ท่านเป็นเพราะระวังคอยดูแลรักษาไฟอั่งโลที่เอาไปตั้งไว้ที่สุดของทางจงกรมทาง ในกาลเทศะอย่างนั้นได้ตอบคูบาทองเออผมก็จะลองกราบเค้าเหรียญถวายแต่ 100% ทีเดียวผมเข้าใจว่าองค์ ว่าจะหลาดข้ามปลายองค์ท่านดอกหรือคูบาทองคําตอบว่าไม่เป็นไร 2 ต่อ 2 นั่น แต่วันนั้นไม่ได้กราบเท้าเลียนถวายเพราะยังไม่ ก็จะปฏิบัติตามลองดูส่วนคูบาวันนั้นท่านฟังแล้วพิจารณาอยู่ไม่ว่าอะไรคําว่าคูบาทองคําคูบาวันนั้นในสมัยนั้น 5 พันปรรษา ได้เวลาหมู่พระสงฆ์สามเณรไปรวมกันที่ศาลารอคอยจะเตรียมตัวไปบิณฑบาตองค์หลวงปู่คอยดูแลองค์ท่านอยู่ ขณะสงพร้อมใจกันให้กล่าวกากาบเท่าเรียนทว่ายพ่อแม่ครูบาอาจารย์ขอนิมนวิงวอนมีให้ไปบินทบาทเพราะชลาภาพแล้วเดินซัดไปเซมาขณะสงจะลับอาศาบินทบาทมาเรียงดอกขอรับที่นี่องค์หลวงปูยืนกลางขาออกนิดหน่อยการุณาเกล่าบันจงพร้อมทั้งแยบขายว่า เราเขามาใส่บาทได้ข้อวัดเขามาใส่บาตรเขาก็ได้จากคาวัดทานวัดของ มันก็ได้กราบไหว้ก็เป็นบุญจิตบุญใจ ได้ทอดสะพานทองสะพานเงินสะพานอริยทรัพย์ไว้ให้พวกเรา ขณะที่องค์หลวงปู่ไปบิณฑบาตไม่ระเบียงกุฏิแป๊กๆอยู่สันโดษสังเวชและถึงใจ 2492 ปวารณาออก เบี่ยงวาระเข้าเฝ้ารอบๆใต้ถุนและรอบกุฏิของ ถ้าเราตายรีบพากันเผาโดยด่วนเน้อปานศพแบบเย็น หลวงปู่องค์ท่านบอกเย็นๆว่าเอาไฟไปดับเสีย เห็นองค์ท่านพักอยู่ธรรมดาก็ขึ้นไปกราบองค์ท่านพร้อมทั้งประนมมือขอโอกาสกราบเรียนว่าวันนี้ว่าถ้าเราตายรีบพากันเผาโดยด่วนเน้อปรารภแบบเย็นๆเบาๆแล้วจงส่งข่าวไปหาท่านเจ้าคุณธรรมเจดีและญาติของเราแล้วองค์หลวง ว่าจะพักอยู่องค์เดียวสักพักก่อนดังนี้พวกกับกับครูบาวันกับผมกับครูบาวันอันใดเลยต่างคนก็ต่างนิ่งแต่มองดูหน้ากัน ท่านวันอยู่ใกล้ไกลขนาดไหนและทําอะไรอยู่เรียนท่าน จะเป็นความจริงหรือประการใดขอรับพระอาจารย์มหาตอบว่าจริงทีเดียวกราบเรียนถามท่านว่าถ้า เพราะองค์ท่านมองเห็นว่าพระองค์นี้เป็นพระอ่อนพรรษาก็จริงแต่แก่อายุ เพียงๆทีเดียวล่ะคันเป็นวันใหม่ฉันเสร็จแล้วคณะสงฆ์ขึ้น ก็ 7 วันเท่านั้นถวายพระเพลิงถึงกระนั้นมรรคาศัตรูเขาก็เอา มีได้มีความสงสัยในองค์หลวงปูว่าได้มีเพราะได้เห็นด้วยตาเต็มตาเห็นด้วยใจเต็มใจในองค์หลวงปู่ว่าจะมรรค 18 ธรรสาพระอาจารย์ ส. ส, ส, ส, สก็ก็ เป็นไม่มีเลยไม่มีเลยเป็นเรื่องผู้อยู่ข้างหลังวัตถุเพื่อให้เป หลวงปูมั่นไม่นิยมส่งเสริมการทำครัวเกี่ยวกับอาหารในวัดจนเป็นประเภนีนิจวัดองค์ท่านอ่างในพระวินัยอย่างซ้ำซัมสักษาวาพระองค์ส่งพระอนุญาตในเวลาเข้าอยากมากแพงข้างสมัยเมืองเวสาหลีไปบินทบาทไม่ได้แม่เข้าไม่พออิ่มเลยส่วนกับนั้นไม่ว่าเสียแล้ว ถ้าก็ถือว่าพอเป็นไปพอปฏิบัติได้พอจะอิ่มไปเป็นวันๆแล้วก็ถือว่าพอเป็น กลางวันก่อนเที่ยงโทรทัศน์วิทยุตู้เย็นพัดลมหนังสือพิมพ์ไทยรัฐสยามรัฐ สำหรับผมไม่ต้องมาหาโหบายโมและโฆษณาต่อหน้าผม สิ่งเหล่านี้มันมีในธรรมบทบทแห่งธรรมในทางพุทธกาลโอนาโอนาไม่ได้ลืม ถ้าเขาใดไปเที่ยววิเวกเราก็ไปเที่ยววิปุณภาเทศเอาคนส่วนตนเอง อันเป็นสําคัญเราสิ้นลงปลานไปนี้อนาคตังสยันยานในส่วนอนาคตองค์ท่านถ่ายไว้ว่าเรา ผู้เขียนได้ยินกับหูอยู่บ่อยๆซ้ำๆซากๆก่อนเวลาถึง 6 7 วันติดๆกันหลวงปู่กล่าวต่อไป พวกที่อยู่กับเราเดี๋ยวนี้ผู้ปรารถนาดีก็มีผู้ แพทย์สัมสัมสับสร้างอยู่ 6 7 วันแล้วฝ่ายผู้เขียนก็พิจารณานิ่งอยู่แต่นึกในใจไว้ว่า หลวงปู่ก็ไม่รับแม้การลาสิกขาในสำนักก็ไม่มีพระเนน ขอให้เอาคดีไปว่ากันในฝ่ายพระเถระทางปกครองทาง มาปรารภกันจะไม่เอาความโกรธออกหน้าในการตักเตือนสอนลูกๆ อันไม่มักใหญ่ไปสูงไม่นอนใจที่ประเปลไม่หืดหาดไม่มักใหญ่ไป 25 พรรษายังไม่ได้ทิ้งบาตรให้ใครล้างให้ 15 พรรษา จึงมีผู้ล้างบาดให้บ้างส่วนตักน้ําใช้น้ําฉันนี้หามก็ดีคอนก็ดีหิ้วก็ ล้านก่อนไปก็มีก่อนไปก็มีแต่ไม่เอาความผิดกับลูก 70 ร่วมเข้าไม่ค่อยถ้า ก็จำได้นอนหงายลงทันหัว 2522 อายุ 68 พรรษา 34 ว้านๆยาๆสมุนไพรจิปาถะสาหลพัตต์ไม่หายและก็มีท่านผู้มีศรัทธาเมตตาจะพาไปผ่าตัดให้โดยมิ ป่าเถื่อนและเจ้าตัวก็ไม่สะดวกหัวใจอีกสมฐานะโรงพยาบาลก็เก๋และ ก็ทำสมับไม่มีสง่าราสีบำเส้นเอ็นข้อนี้แหละเพ่นโทษตนเองมากหน้าเหี่ยวๆไม่มีๆที่ มอบอันเป็นอิสระผู้อยู่ข้างหลังหรือจะฝังก็แล้วแต่กรณีหมอประเถิงตัดผ้าอันเป็นอิสระผู้อยู่ คล้ายๆกับว่าการไปจับภูเขาทองจะเล่า 6 แห่งเบทเลทเล่ม 3 กล่าว ยางขาวผนเรียบร้อยดูดีภายนอกหมดจดสีบางชนิดดอกสวยไม่หวยหอมบางบางชนิดไม่สวยบางชนิดทั้งไม่สวยทั้งไม่หวยหอมไม้ต้นใหญ่ไม่มีแก่นก็ได้ไม้ต้น ของที่ดีย่อมมีประโยชน์แก่ผู้รู้จักใช้ ที่เคยสนใจใกล้ควรมาปล่อยเวลาให้ตายไปเปล่า บ่มีได้เดินตรงออกจากความหลงของตัวยัง เมื่อหายใจหรือลมตีขึ้นเบื้องสูงแรงก้ามามีอุปสรรคสดๆมา เป็นของยากอยู่กับท่านผู้อาลัยภาวรกับโลกอดีตกับโลกอนาคตกับโลกปัจจุบันโลกอดีตนั้นคือผู้รู้ที่ล่วงไปแล้วโลกอนาคตนั้นคือผู้รู้ที่ยัง จักเป็นกรรมเป็นวิบากบนกันอยู่เหมือนงูกินหาง ย้อนมาป่าลบองค์หลวงปู่มั่นผู้ชราอาพาธ 2492 เดือนพฤศจิกายน สมัยนั้นองค์ท่านจำพรรษาอยู่เขาน้อยถ้าฉะแหลมจังหวัดจันทบุรีมีหลวง สมัยนั้นองค์ท่านจัมพันษาอยู่วัดดอยธรรมเจดีย์แต่กําลังเริ่มก่อสร้างอยู่ มีพระอาจารย์มหาทองสุขวัดป่าสุทธาวาสอำเภอเมืองจังหวัดสกลนครในสมัยนั้นวัดป่าบ้านหนองผือองค์หลวงปู่มั่นก็ขึ้นบัญชีพระประจำปีกับวัด อำเภอพรรณานิคมจังหวัดสกลนครนั่นเองให้เข้าใจว่าพระอาจารย์ปู่ก็เป็นเครือญาติใกล้ชิดกันในฝ่ายตระกูลวงแต่พระอาจารย์ปู่มีพรรษาเหนือกว่า